การให้ผลของกรรมเรื่องที่หผลกรรมตามไวยะแห่งจุลกรรมมัวิพังคสูตรเมื่อทําความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็ขอนําพุทธพจน์แห่งสําคัญที่กล่าวถึงผลกรรมซึ่งสืบเนื่องจากปัจจุบันไปถึงพบหน้าตามที่ปรากฏในจุลกรร ม, มวิพังคสูตรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุภาษสูตรมาแสดงไว้สรุปใจความได้ดังนี้ พระพุทธเจ้าตรัสกับสุภามาณพโตเทยบุตรว่าดูกะมาณพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่กําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้สามและประนีตสตรีหรือบุรุษผู้มักทําปาณาติบาตเป็นคนเฮี้ยมโหด หมกมุ่นอยู่ในการประหัดประหารไราเมตตาการุณด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกหรือมิฉนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุสั้นสตรีหรือบุรุษ ผู้ละเว้นปานาติบาตมีเมตตาการุณมักเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุยืนสตรีหรือบุรุษ ผู้มีนิสัยชอบเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทั้งหลายด้วยมือไม้สตราด้วยกรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคมากขี้โรคสตรีหรือบุรุษ ผู้ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทั้งหลายด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคน้อยมีสุขภาพดีสตรีหรือบุรุษผู้เป็นคนมักโกรธเครียดแค้นง่าย ใครว่ากล่าวนิดหน่อยก็ขัดใจพรุ่งพลานพยาบาทแสดงความขึ้งเคียดให้ปรากฏด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีผิวพันซามไม่สวยไม่งาม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 คนอื่นได้ลาบได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาก็ไม่สบายใจทนไม่ได้ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีศักดาน้อยต่ำต้อยด้อยอำนาจ สตรีหรือบุรุษผู้ไม่มีใจริษยาด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีศักดามากมีเดชมีอำนาจมากสตรีหรือบุรุษผู้ไม่บำเพ็ญทานไม่ให้ปันข้าวน้า ผ้านุ่งห่มเป็นต้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีโคะน้อยสตรีหรือบุรุษผู้บำเพ็ญทานให้ปั่นข้าวน้ำผ้านุ่งห่มเป็นต้นด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีโผะมากสตรีหรือบุรุษผู้เป็นคนแข็งกระด้างเย่อหยิง่งชอบดูถูกคนไม่เคารพนับถือกราบไหว้แสดงความเอื้อเฟือ้อแก่ผู้ที่สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดณที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีตระกูลต่ำสตรีหรือบุรุษผู้ไม่เป็นคนแข็งกระด้างไม่เย่อหยิง่งแสดงความเคารพนับถือกราบไหว้เอื้อเฟือ้อ แก่ผู้สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีตระกูลสูงสตรีหรือบุรุษผู้ไม่เข้าหาไม่สอบถามสมณะหรือพรามว่าอะไรดีอะไรชั่ว อะไรมีโทษไม่มีโทษอะไรควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติอะไรเมื่อทําจะเป็นไปเพื่อโทษทุกข์อะไรเมื่อทําจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขชั่วกาลนานด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดในที่ใดๆในภายหลัง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 จะเห็นได้ว่าในสูตรนี้แม้จะกล่าวถึงผลที่จะประสบในชีวิตข้างหน้าแต่ก็เน้นที่การกระทำในปัจจุบันโดยเฉพาะการกระทำที่มีลักษณะเป็นความประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นประจำเป็นส่วนแห่งการดาเนินชีวิตชนิดที่จะสร้างสมคุณภาพของจิตใจปรุงแต่งลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพได้และเป็นเหตุปัจจัยโดยตรงแก่ผลจำเพาะแต่ละอย่างไม่ใช่เป็นอนิสงส์เฟอร์ชนิดที่ว่า ทำกรรมดีอะไรครั้งเดียวเช่นให้ทานครั้งหนึ่งก็มีผลมากมายไม่มีขอบเขตจะหวังเป็นอะไรปรารถนาได้อะไรก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นหมดซึ่งท่านเน้นกันหนักก็จะทำให้คนมุ่งแต่จะทำบุญกรรมแบบฝากเงินในธนาคารเฉยไว้ไปรอรับดอกเบีย้ยหรือแบบคนเล่นลอตเตอรี่ที่ลงทุนทีหนึ่งหวังผลกำไรมหาศาลแล้วเลยไม่ใส่ใจกรรมดีชนิดที่เป็นความประพฤติปฏิบัติทั่วไป และการดำเนินชีวิตดีงามประจำวันอย่างที่ตรัสไว้ในสูตรนี้เนื้อหาของสูตรนี้เป็นการตอบปัญหาของสุภามานกซึ่งเป็นคนวันนพราหมณ์การที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบแก่สุภามานกอย่างนี้มองในแง่สัมพันธ์กับศาสนาพราหมณ์มีข้อสังเกตอย่างน้อยสองประการคือประการแรกเป็นการแย้งต่อคาสอนของพราหมณ์ที่ว่า พรหมเป็นผู้สร้างผู้บรนดาลชีวิตมนุษย์และทุกสิ่งทุกอย่างโดยให้มองอย่างใหม่ว่าการกระทำของคนนั่นเองเป็นเครื่องสร้างสรรค์ปรุงแต่งชีวิตของมนุษย์ประการที่สองตามพิธีกรรมของพรามเช่นการบูชายันผู้ประกอบพิธีและถวายทักษิณาแก่พรามจะได้รับพลานิสงมากมายมหาศาลชนิตที่จะมองไม่เห็นความสัมพันธ์โดยทางเหตุปัจจัยกับสิ่งที่กระทำนั้นเลย การตรัดผลของกรรมตามแนวแห่งสูตรนี้เป็นการสร้างความเข้าใจอย่างใหม่ในแง่นั้นด้วยรวมความว่าสาระของจุลกรรมมวิพังค์สูตรนี้ก็ยังคงยืนยันหลักการสาคัญที่ว่าการนึกถึงผลกรรมที่จะได้ประสบในชีวิตพบหน้าพึงเป็นไปในลักษณะของความมั่นใจที่อาศัยกรรมคือคุณภาพจิตใจและคุณภาพแห่งความประพฤติที่ตนมีอยู่ในปัจจุบันนี้เอง และการได้รับผลห่างไกลเบื้องหน้านั้นมีลักษณะที่สืบทอดต่อเนื่องออกไปอย่างมีความสัมพันธ์กันได้ตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัยหลักสำหรับวินิจฉัยในเรื่องนี้อาจพูดอย่างสั้นๆได้แนวหนึ่งว่าความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้าจะต้องเป็นความเชื่อที่มีลักษณะช่วยเสริมธรรมชาทะให้เข้มแข็งแน่นแฟรยิ่งขึ้นหากความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้าอย่างใด ไม่ช่วยเสริมธรรมจันทะแต่กลับเป็นไปในทางส่งเสริมโลภะหรือตัณหาถ่ายเดียวก็พึงเข้าใจว่าความเชื่ออย่างนั้นเป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนและควรได้รับการแก้ไข